กา <c oughs> รศกดิ์ศรีกุลต่ำเป็นชาวไร่ชาวนาบวชเป็นพระรันกว่ามีเยอะก็สูงขึ้นมาเรียกว่าวิชุดอิตเทศเป็นเจวดาโดยความนิสชุดทางกายวาจาใจส่วนพระราชาพระองค์นี้เป็นพระราชาดีอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเป็นคนดีให้ดูผู้คนว่าทำไมนั่ถือกันนักหนาต้องกราบต้องไหว้บงงัง้โหร้องให้กันเสียดมเสียดายท่านไปแล้วขอให้กลับมา ร, ราชาอย่างนี้หายากในโลกแต่นี้เราไม่ได้ถือว่าเป็นป ร, ราชาของเรานะราชา ร, ราชาใดก็ได้ถ้าประพฤติปฏิบัติดีเอาเอาอกเอาใจประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลน้ำท่วมไยไหม้ลมพัดวิบัติความยากจนก้นแค้ น, ค, นความยากจนที่ร้ายกาจที่สุดก็คือยากจนความรู้ท่านก่อสร้างโรงเรียนใหน้และจงครูไปสอน คนไม่มีความรู้ก็ได้มีความรู้คนประพฤติไม่ดีเสพยาเสพติดและปลูกปิ่นปลูกกัญชาทำยาบ้านี่ท่านก็ให้กลับเนื้อกับตัวกรรมกรรมกรตะกรรมเกระเตรกรทํามาค้าขายแล้วก็อยู่ได้อยู่ดีประชาชาเช่นนี้แล้วน่ารักที่สุดไม่ใช่มาดูถูกดูหมิ่นประชาชนท่านรักประชาชนมากราชาชนก็ต้องรักท่านมาก เรารักเขาเขาก็ต้องรักเราเป็นธรรมดาความรักไม่ใช่ว่าไปบังคับกันหน้ว่ารักรักกันไปเจ้าหน่อยนะความรักเกิดจากคุณธรรมของคนคุณธรรมของคนดีเช่นพระราชานี้นี่ท่านมีสังขาวัตถุคือท่านมีไปปียวาจามีวาจาน่ารักวาจาดีท่านมีเสียงสละมีการให้เช่นว่าวัดวารามบางแหง่งเช่นวัดอัมพรวันนี่ หลวงพ่อที่จะดันที่ขึ้นมันไปนี่ท่านยังถวายข้าวสารเดือนละสามร้อยกระสอบข้าวสารอันดําเนึ่ของประเทศนะถวายมานานแล้วถึงว่าในหลวงสิ้นไปคนยังจืบมานฐานต่อหลวงพ่อจะดันขึ้นไปก็ยังได้อาศัยข้าวสารของพระราชานี่แหละเป็นบทสงเคราะห์เด็กในเมืองนครเทธธรรมราชโตกวายายุพายุครั้งหนึ่งเรียกว่าดีเพรสชั่น พ่อตายแม่ตายแล้วก็เหลือเป็นลูกกําพาราท่านก็ออกมาอุปถมัมภ์ในร้างบ้านในหลังหนึ่งเรียกว่าบ้านสีธรรมราชยังอยู่เดียวนี้เด็กเรียนจบปริญญาเป็นด็อกเตอร์ได้เยอะซึงไม่มีพ่อแม่แต่ท่านก็เป็นพ่อแม่อย่างดีเด็กก็ได้เรียนดีแล้วก็ถึงพ่อแม่ตัวจริงตายไปแต่ยังมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านถุงคร้อช่วงทุกสิ่งทุกอย่างให้กินให้อยู่ให้นุ่งให้ห่ม แล้วให้เรียนได้ศึกษาได้ดีได้ดีคนบนป่าบนดอยภูเขาเหล่ากานี่เป็นคนป่าเตือนพวกอีกองมูเตอพวกมองพวกอะไรนี่ได้เรียนหนังสือมีความรู้แล้วก็มีกินมีอยู่นี่จะพูดความดีของพระราชาพวกนี้เลยสักร้อยปีก็ไม่ทิ้นไม่สุดจงท่านทิ้นประชาชนไปแล้วก็จริงวรระลึกเสือนาตีตารม์ขึ้นมาว่าการระครั้งหนึ่งพระราชาองค์ที่เก้า องที่เก้านี่เป็นสัญลักษณ์ของมัรคิยงแปคือมัคตรีพลศรีนิพานหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ดีอันนั้นว่าเป็นสัญลักษณ์แล้วก็สัญลักษณ์มันสมด้วยคนที่ทําความดีตามสัญญลักษณ์ของตัวคือพระเจ้าอยู่หัววันนี้ทีโอ T มีผู้นําเป็นประธานและคนพนักงานด้วยกันร่วมกิจร่วมใจกันทําบุญอย่างเนึ่งเพื่ออาทิศส่วนบุญให้แก่พระเจ้าแผ่นดิน แล้วก็บนที่ทํานี้ความจริงได้ตัวเองเ่วบวชให้ในหลวงก็ได้ตัวเองนั่นแหละแต่เพราะมีในหลวงคนนี้เราจึงบวชว่าเพราะในหลวงมีนั่นแหละเราจึงได้ทดําดีถ้าไม่มีในหลวงบันทีก็เราปล่อยเนื้อปล่อยตัวเพราะฉะนั้นใครคนใดอยู่ไปให้ขอทําดีเพื่อใคยเพื่อเราได้นี่อย่างนี้เรียกว่คนดีเช่นว่าดีหนึ่งพระพุทธเจ้า พอมาพร่ำพอมีพระพุทธเจ้าเนี่คนจึงได้ดีนับเป็นหมื่นแสนล้านกรคนน่ะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยทีนี้กองเราพระราชาดีมันเป็นบุญของคนไทยที่มาเห็นกับตาแต่กว้างกระหูรู้ก claro. ับใจว่าเหตุการณ์เช่นนี้คนเกิดมาช่วยรร้อยปียังไม่เคยเห็นเหตุการณ์อันนี้น่ะถ้าประวัติตั้งแต่พระเพาะยอดควายทุลาโลกก็ไม่ไว้ไม่มีประวัติในแป่นดินว่ามีคนล้อนหลาม มืดก ว, ว่าหัวดินมากราบไหว้พระบรมศพแต่พระราชาองค์นี้ยิ่งอยู่นานคนยิ่งนับถือถึงท่านทิ่นประจนไปตั้งร้อยตั้งร้อยวันแล้วไม่เว่าข้าวตาดีทีเหลวนานข้าวคนยิ่งมากขึ้นคนยิ่งนับถือยิ่งรู้คนของท่านมากเกาเท่าไรทนไม่ได้ที่จะอดใจไม่กราบไม่ไหวไม่นับถือเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมาจำบวนวันนี้นับว่า เป็นการทำถูกต้องครบร้อยวันร้อยวันก็นเรียกว่าตาตาเมาื่อวันไม่ใช่ตาตาถ้าตาตานี่ยมันเจวันตาตาแปลว่าเจ็ดเพราะฉะนั้นตาตามะหวาระคือครอบร้อยวันครบร้อยวันคนมากกว่าเมื่อครอบเจ็ดวันคนมากกว่าเมื่อครอบห้าสิบวันถ้าวันพระราชทานเพลิงใหญ่เจิงเิงญาญโยมทั้งหลาย เราถ้ากัก บ, บริเวณวายาตายตัว น, นี้นะให้อยู่ทันวันถวายพรยเพลิงนี่เราจะเห็นเหตุการณ์อันโอรารอลังการมากมายที่เกิดเกินจากบุญบา ร, รมีของพระราชาเพราะฉะนั้นจึงของวอวยพรให้ญาติโยมทุกทุกคนสุขสมบูรณ์ร่วมจะชุวิตจปนชัยให้มีอายุวันนา้าสุขกะพละให้มีความสุขความเจริญทั่วหน้าเพราะอาจใจได้กราบได้ไหว้คนดี ได้ทำความดีเพื่อพระเจ้าแห่นดินนี้่านก็จะเป็นคนดีในชีวิตที่เกิดมาขอความดีอายุวันนาสุขะพะละจงบังเกิดก้นแก่ท า, า, า น, านาทั้งหลายทั่วกาลนานกล่าวทหมอจณียกถาก็อพอจงควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนี้ถือ<ว>น้ำมนต์ไป